ฟังทำกันเนาะบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องคนจีนก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังเป็นเหมือนเสียงนกร้องนะ <c oughs> คนไทยก็ฟังรู้เรื่องก็ได้ยินทั้งเสียงเข้าใจทั้งภาษาเนะ่ะแต่ที่จริงนะการฟังทำจริงจรนะิงเนี่ย ฟังให้รู้เรื่องในความหมายอันนั้นก็ได้ประโยชน์นะในการที่เราได้เข้าใจเข้าใจแนวทางนะในการปฏิบัติแต่ถ้าฟังแบบเอาสติจริงๆนะฟังรู้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่สำคัญนะเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็รู้นะว่ามันไม่รู้เรื่องอันเนี้ย เขาเรียกว่ามีสติแล้วหรือฟังแล้วมันมันมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นในใจนะเราก็รู้สึกเราก็รู้มันแล้วงพ่อคาเขียนเคยเล่าเออเคยเคยพูดสุภาษิตอันหนึ่งนะไม่ใช่สุภาษิตเหมือนเป็นมันเป็นกรอนมากกว่านะ อ, อกฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสวดมนต์ มองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนๆก็ให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์เนี่ยเสียงสวดมนต์ก็ก็คือเสียงธรรมะนะเสียงที่สอนธรรมะนะไม่ใช่สวดมนรรมต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือบทนั่นบท น, นี้ฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์คือสมมติท่าแบบ เราไปอยู่ที่อื่นเนาะเ อ, อมีคนมีเสียงบน่นมีเสียงด่านะมีเสียงที่อาจจะทําให้ลาคาญหลายๆอย่างนะแต่ถ้าเราฟังเสียงลูกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ก็มองอืมเออก็มองมองตัวเองนะมองใจตัวเองเป็นยังไงเนะี่ะลาคาญก็รู้มันลาคาญนะ เราเป็นทุกข์เพราะความลำคาญหรือเปล่าเนี่ยอบางคนก็เป็นทุกข์เพราะความลำคาญเสียงดังวุ่นวายนะเราปลูกบุดานนะท่านเคยเล่าว่าแต่ก่อนถ้าไปรับงานนิมนต์ที่หนึ่งนะนานมาแล้วนะ่ะบ้านก็เป็นบ้านไม้เป็นห้องแถวนะติดๆกันเลยเนะคนจีนโบุดานนะขายของนะ เขาก็นิมนตหลงปู่ไปน่าจะไปชันเพลนฉันเพลนเสร็จเขาก็ให้หลวงปู่พักผ่อนนิดนึงก่อนก่ อ, อนที่จะไปส่งที่วัดก็หลวงปู่ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านเขาสักคู่หนึ่งแต่ห้องข้างๆนะเขาก็เขาก็ากคนบดาณเนานะคนค น, คนจีนโบ ร, ราณเขาใส่เกี้ยคือรองเท้าไม้ เวเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็เสียงเกี้ยก็ดังเกี้ ย, เ, ย, เ, ยเสียงดังจะเดินขึ้นลงบันไดหลวงปู่ท่านก็นอนพักผ่อนอยู่บนบ้านครับแต่ลุกเิด็จที่นั่งอุปถัของหลวงปูน ก, ก็แบบบ่นน้ำคานเดินเสียงดังน้ำคานหนกหมูประมาณนี้นะก็บน่นนอนก็ไม่หลับใจก็หงุดหงิด หลวู่ท่านก็นอนคงไม่ได้นอนดักก็นอนได้ยินทั้งเสียงเกี้ะก็ได้ยินเสียงลูกสิษย์บนก็ได้ยิน <c oughs> แต่ท่านก็เปรยเนี่ยเขาก็เดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยเขาเองอ๋อก็ได้เป็นการเตือนลูกศิษย์ว่าอเอาที่จริงก็คือเอาใจนี่แหละไปลองรับ ต้องรับเสียงเกี้ยจนกลายเป็นความลำคาญนะแต่ถ้าได้ยินเฉยๆนะออมันก็จบนะหรือถ้ามันไม่เฉยใจมันรำคาญนะรู้ทันใจต่เองที่ลำคาญนะมันก็จบนะแต่เพราะเราไม่รู้เฉยๆนะก็เลยไปโทษเขาที่เดินเสียงดังนะเพราะเราไปยึดไปโทษไปยึดความไม่พอใจนะก็เลยกลายเป็นความทุกข์ใจนะ ก็ได้บนออกมาถ้าเราฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสวดมนต์นนะก็คือได้ยินบางครั้งก็สักแต่ว่าได้ยินก็พอละถ้ามันไม่ได้เป็นความสําคัญอะไรก็ได้ยินเฉยๆไปไม่ได้ว่าทําใจให้เฉยๆนะมาถึงว่าได้ยินไปนะถ้ามันเฉยเราก็รู้ถ้ามันไม่เฉยเราก็รู้นี่ เมื่อไปสอนสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีช่วงเช้าพาไปเดินเดินจงกรมนะบางทีก็เดินจงกรมที่ที่คารุสติสถานบางทีก็เดินผ่านบ้านโยมบ้างเนะี่ยหน้าบ้านโยมเนะี่ยก็มีหมาก็เห่านะเวลาเดินจงกรมแล้วหมามันเห่านะก็ถามโยมบางคนเขาก็บอกว่าเออเห็นความกลัวนะ หมาขณะที่เดินน้ำหมามันเห่านะก็กลัวเกิดเห็นความกลัวว่าหมามันจะมากัดเหนนะเอออันเนี้ยก็ดีนะนะไปผูกอดีตที่เคยอาจจะเคยถูกหมางับอะไรเนั่นนะนะมันก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาคือพอหมาเห่าปุ๊บนะจิตมันวิ่งไปอดีตที่เคยถูกหมางับนะเกิดความกลัวขึ้นมานะ แล้วเขาก็เห็นมันเออพอเห็นมันมันก็มันมันก็คลายไปนะมันก็คลายไปเนี่ยเสียงอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสตินะเราก็จะเห็นเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะในตัวเราว่ามันรู้สึกอย่างไรอย่างนี้เนะเสียงที่สรรเสริญก็เหมือนกันนะหรือเสียงที่ดีบางทีก็ช่วยให้เราหลงมากกว่า เสียงที่มันไม่ดีได้ซ้าเสียงเพลงที่ไพเราะนะก็อาจจะทำให้คนเคลิ้มนะติด อ, อกติดใจนะฟังซ้ำหลายรอบนะนะอันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นความเพราะแต่ก็ทำให้เราเพลินนะลงไหยติดใจไปได้นะหรือเสียงที่เขาชมเรานะเขายกยอเรานะก็ไม่รู้ว่า ยกยอแบบไหนแต่บางทีก็ชวนให้คนเคลิ้มนะหลายคนก็เสียคนเพราะคำเคลิมคำยกยอเนี่ยก็ก็เยอะแล้วแต่ถ้าเราฟังนะนะฟังให้เป็นธรรมะจริงๆก็นี่แหละฟังโดยการมีสติรู้ทันนะรู้ทันกายรู้ทันใจนะที่มันเกิดจากการได้ยินเียงต่างๆนะ หรือฟังธรรมนะไปบางทีเนะี่ยงงนะสงสัยนะก็รู้ว่างงก็ถูกแล้วนะชอบใจนะก็ให้รู้ทันใจที่มันชอบใจนะแต่ถ้าบางทีมันชอบใจนะเพิ่มอินไปกับการฟัง้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเพิ่มตัวเองอินไปเนะี่ยเรียกว่าอาจจะแย่กว่า สมก็สงสไม่รู้เรื่องแล้วก็เราก็รู้ตัวว่ามันฟังไม่ดูเรื่องเนะี่ยอันนี้ดีกว่านะเนี่ยบางทีถ้าเราฟังแบบเนี้ยมันเราจะได้สติในการเห็นตัวเองเนะี่ยฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์นะเสียงคนบนเสียงคนชมเสียงหมาเหา่าเสียงรถวิ่งเสียงอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราฟังเป็นเออ เขาสอนธรรมะนะคือแสดงมันเสียงมันสะท้อนเสียงมันเกิดขึ้นมานะหูรับรูนะ้มันส่งถึงใจอย่างไรนะเราก็เห็นมันนะตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละนะเราก็ดูใจนะดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันรู้สึกอย่างไรนะนะเราก็รู้มันตามความเป็นจริงนะไม่ใช่บังคับ ให้มันต้องเฉยหรืออยากได้ยินแต่เสียงดีๆนะเสียงไม่ดีไม่อยากได้ยินนะนั้นเป็นกิเลสละเป็นความอยากของเราลนะที่มันปรุงแต่งนะที่มันอยากนะีนะ่คือหรือแม้แต่ตอนเราสวดมน์นะตอนเราสวดมน์เองก็ดนะีถ้าเราสวดมน์แบบเอาสตินะคือเนื้อหาในการสวดเราก็คงพอ แล้ยินบ้างแต่ก็คงไม่ได้ว่าจะจับมันตลอดเวลาเพราะเราต้องสวดไปด้วยนะแต่ถ้าสวดมนต์ไปนะใจแว บ, บออกไปนะให้เรมีสติรู้ทันนะกลับมาใหม่บางทียิ่งเราสวดมนต์แบบประจนะําเนี่ยมันจะคล้องปากปากก็พูดไปไม่ผิดต่อนะแต่ใจไปคิดนึกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมันคอไปกับเพื่อนได้เลยเวลาเราสวดกมูเนี่ยมันก็มันก็ ไม่ผิดมันเหมือนตามตามกันไปนะแต่ใจเราไปไหนก็ไม่รู้เนะี่ยเนี่ยต้องรู้ทันตัวเองดีๆนะมันจะด้วยบางทีเราสวดคนเดียวเนะี่ยโอ้ทาไมมันยากนะตรวจหลายคนเนี่ยทำไมดูง่ายนะพอสวดคนเดียวเดี๋ยวก็ดืมอเดี๋ยวก็นั่นนี่นะถ้าตรวดแบบไม่อ่านหนังสือนะแต่ถ้าสวจกระมู่ไม่อ่านหนังสือก็ยังถ้าอยู่นานๆก็คอไปได้หรือก็ชัดเจนได้ แต่สิ่งสําคัญคือให้เรารู้ทันใจเวลามันเผลอออกไปนะอไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือบางทีบางคนก็สะดุดกับคําสวดมนต์บางอย่างก็ไปคุ้นคิดกับนะธรรมะบางอย่างเนี่ยก็คือการสะดุดเหมือนกันนะนะแต่ถ้าใจมันคุ้นคิดของมันเองแล้วเราก็เฝ้าดูดูมันนะ่ะดูมันก็ถือว่ามีสตินะแต่ถ้ามันคุ้นคิดเราก็ไปจมในความคุ้นคิดไปด้วยนั้น ก็อาจจะเรียกว่าขาดสติเนะี่ยฟังเสียงทุกเสียงคือเสียงสวดมนต์นนะมองคนทุกคนนะเป็นพระพุทธเจ้าเนะมันก็มีพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็อาจจะมีหลายความหมายอาจจะมาก็อธิบายเอาสักสองความสองแง่มุมก็ได้นะแต่บางคนอาจจะมองเยอะกิดนั้นก็ได้นะมองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าก็คือ คือเราเคารบคนทุกคนว่ามีพุท ธ, ธะที่อยู่ในใจของเราอยู่ในใจของทุกคนนะรวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยนะที่จริงมองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทุกคนสามารถที่จะมีสภาวะพุท ธ, ธะรู้ตื่นเบิกบานได้นะไม่ได้มองเขาเป็นคนที่เรียกว่าฝึกฝนไม่ได้พัฒนาไม่ได้นะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมองแบบให้โอกาสทุกๆคนว่าสามารถที่จะพัฒนาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะแม้เขาจะเคยหลงแม้เขาจะเคยไม่ดีนะอะไรต่างๆแต่จริงนึกๆแล้วทุกคนมีพุท ธ, ธะในใจนะมองแบบให้โอกาสนะให้โอกาสว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้เนะี่ยถ้าเรามองแบบนี้นะใจเราก็มี มีเมตตามีความรัลวนาความโกรธความเกลียดมันก็ลดลงหรือบางทีก็หมดไปเลยเพราะว่ามองที่จริงล้าก็มองเห็นตัวเองด้วยตัวเองที่เคยหลงที่เคยไม่ดีที่เคยไม่รู้ที่เคยเป็นเหมือนเขาเราก็เคยมีเหมือนกันนะหรือบางอย่างเราอาจจะไม่มีเหมือนเขาแต่ก็ใช่ว่าเราจะมีด้านที่ไม่ดีคือเราก็มีด้านที่ไม่ดีเหมือนกัน เขาก็อาจจะมีด้านไม่ดีบางบางด้านเราเองก็มีด้านที่ไม่ไม่ดีบางด้านเหมือนกันก็มองอืมก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาแย่เราเองก็มีด้านแย่เหมือนกันนะแต่จริงด้านดีเขาก็มีนะด้านดีเราก็มีเหมือนกันมองแบบเนี้ก็มองเป็นพุทธะได้นะเราเคารพกันและกันนะมาซึ้งใจ หลวงพ่อมากหลวงพ่อคําเขียนบางทีท่านบอกว่าบาัญาแต่เห็นคนเขาทาผิดเขาทําไม่ดีนะหลวงพ่อบอกอืมวันนี้เขายังไม่ดีเนาะแต่เราก็ยังแบบเชื่อว่าเดี๋คิดว่าเนะี่ยวันพรุ่งนี้เขาอาจจะดีก็ได้นะวันพรุนี้เขายังไม่ดีก็อาจจะเออเดือนหน้าเขาอาจจะดีก็ได้นะเดือนหน้าเขายังไม่ดีก็ อาจจะปีหน้านะอาจจะดีก็ได้หรือปีหน้ายังไม่ดีก็อาจจะสิบปีนะอาจจะดีก็ได้นะอีกสิบปียังไม่ดีก็อาจจะชาตินี้ยังไม่ดีนะก็ชาติหน้าก็อาจจะดีก็ได้นะเหมือนมองแบบทุกคนสามารถเดี๋ยวก็กลับตัวเป็นคนดีเป็นคนที่มีปัญญาพุทธะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคือมองแบบ ทุกคนมีโอกาสทำได้นะเราเองเป็นคนที่เหมือนให้โอกาสนหลองพ่อมองแบบเป็นคนให้โอกาสนะไม่ใช่ไปตัดสินหรือพิพากษาว่าหรือบางทีถ้าเรามองแบบตัดสินพิพากษ า, าเหมือนสตาร์ทเขานะที่จริงมันสตารอารมณ์เรามากกว่าว่าเขาเป็นแบบนี้นะเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดนะเขาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะนะนะเขาเป็นแบบนี้ตลอดไปเนะ แต่ถ้ามองแบบให้โอกาสนะโอ้ใจมันสบายใจมันปลอดโปร่งโล่งก็เข้าใจก็รู้อยู่อะไรมันผิดมันถูกเลยแต่ก็แต่ก็กลึกๆ ก, ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนะนะคนก็มีโอกาสพัฒนาได้นะก็ยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้กันก็คบกันได้ น, ะนะนี่คือ มองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าคือมองเห็นความเป็นพุท ธ, ธะที่มีอยู่ในคนทุกคนหรือแม้แต่ในสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสามารถมีพัฒนามีพุท ธ, ธะเกิดขึ้นได้นะเหมือนเราเองเราก็เคยหลงเคยผิดเคยพลาดมานะถ้าเราตั้งใจถ้าเราฝึกฝนเราก็ค่อยๆแก้ไขพัฒนาตัวเองขึ้นมามันก็ทำได้บ้างบางอย่าง บางอย่างก็ยังทำไม่ได้ไงแต่ก็จะทำต่อไปตรงเนี้ยก็มองแบบพัฒนาตัวเองู่ด้วยอีกมุมหนึ่งนะพระพุทธเจ้าในมุมของผู้ที่สอนธรรมะผู้ที่สอนธรรม ะ, สะแสดงธรรมก็คือที่จริงก็การกระทำหรือคำพูดของแต่ละคนนะเขาก็สอนธรรมะเรานั่นแหละนะ ดีก็สอนน่ะเราก็ได้เรียนรู้ได้เป็นแรงบันดาลใจได้เป็นข้อคิดแสดงไม่ดีหรือพูดไม่ดีก็เป็นการสอนธรรมะอแบบหนึ่งออไอ้แบบนี้เราจะไม่ทําตามเขานะจะไมเะ่เราเห็นคนอื่นก็ทําเราก็จะไม่ทําตามเขาอะไรเนะี้ยคือมันก็สอนธรรมะในแง่หนึ่งหรือเห็นเขาทาผิดอ่าเราอ้อเห็นไหมมันปวดแล้วมันก็เป็นทุกข์ หลงแล้วก็อาจจะทําอะไรไม่ดีเยอะๆมากมายนะมันก็สอนทั้งด้านดีและไม่ดีนะเราก็กลับมาสอนตัวเองอ๋อเนี่แหละนะอืมทําดีเป็นแบบไหนทําไม่ดีเป็นแบบไหนปล่อยวางเป็นแบบไหนคิดมั่นเป็นแบบไหนนะเนี่ยก็คือมองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้านะเขาก็สอนธรรมะให้เราได้เห็นนี่ยแหละนะรวมทั้ง เราเห็นความรู้สึกตัวเองด้วยเวลารับรู้กนะารกระทําของคนอื่นนะเรารู้สึกอย่างไรนะเนี่ยถ้ามองแบบนี้นะคนทุกคนก็เป็นพระพุทธเจ้าทั้งในแง่ของการที่เขาแสดงธรรมให้เราเห็นนะทั้งด้านกุศลหรืออกุศลด้านยึดหรื อ, รอด้านปล่อยนะ รวมทั้งก็มองแบบให้โอกาสคนอื่นนะว่าเขาเองก็สามารถพัฒนาไดนะ้เปลี่ยนแปลงไดนะ้เราอย่าไปยึดติดถือโทษนะนั้นใจเราเป็นทุกข์เราก็ต้องกลับมาดูใจเราการยึดติดถือโทษมันเป็นทุกข์ไหมอันนี้มองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ในๆนนะ่ะ ก็ให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนในโลกนี้เอแต่บางที่มันก็ยากนะไปอยู่นรกจะให้มีนิพพานอยู่ในนรกเนี่ยก็ก็ยากนะแต่จริงเรายังไม่ไปนรกน่ะเรายังอยู่บนโลกม น, นุษย์นะ่ะยังไม่ทุกยากลําบากขนาดนั้นนะแต่บางที่ก็คงลําบากนะอยู่สองรามนะอยู่ใน กลุ่มที่เขามีสงครามกันเนี่ยนะโอ้ก็คงลำบากต้องหนีภยัยตั้งนั่นนี่แต่เราจะสุกฝนยังไงให้ใจของเราแบบมันพัฒนาไปก่อนถ้าวันในวันหนึ่งสมมติประเทศไทยมีสงครามเกิดขึ้นมาเราจะอยู่แบบไหนให้ใจเราไม่เป็นทุกข์เนะ่ยสมัยพุทธกาลนะศากยยะวงศนะตระกูลพระพุทธเจ้า ก็มีหลายคนที่เขาศรัทธาประพฤติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนะหลายคนก็ออกบวชตามหลายคนไม่ได้ออกบวชแต่ก็คลองเรือนแต่ก็เป็นคนที่มีธรรมะเนะบางคนก็เป็นเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งมั่นจริงๆหลายท่านก็เป็นพระโสดาบันพระสกิท า, าคามีนะแม้เป็นคารวาสตอนที่ถูก อพระเจ้าพิภูส น, นะน่ะไปฆ่านะเอาทาหารไปฆ่าสักยะวงที่ท่านรู้ธรรมะแล้วเนี่ยท่านก็ไม่กลัวตายนะถึงว่าเขาจะฆ่าก็ฆ่านะก็คือไม่กลัวตายยอมรับชะตา ก, การรมที่เกิดขึ้นได้นะใจก็ไม่ได้ไปทุกข์เพราะการที่เขาถูกเขาฆ่านะแต่สักยะวง์บางท่านที่ยัง เป็นปุถุชนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รักตัวกลัวตายนะก็บางทีก็พูดปลดนะเขาถามว่าท่านเป็นสักสักยะหรือเปล่านะเขาพูดปลดเป็นประมาณนะเหมือนเขาเขาใช้นะแบบภาษาบาลีอาจจะแปลแบบไหนไหมนะ่รู้เขาเป็นสักยะใบออนะต้นออดอะไรประมาณนะั้เหมือนถามว่าสักยะหรือเปล่าก็อตอบไปต้นต้นอออะไรประมาณเนะั้ ภาษาบาลีเราก็ไม่ชำนาญแต่ประมาณว่าอาตอบไม่ตรงคำถามเพื่อเพื่อจะได้ไม่อยากถูกฆ่านะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ตายเพราะว่าโกหกนะหรือบางคนก็หลบหนีไปเลยนะแต่ถ้าคนที่ฝึกดีแล้วเขาก็ไม่กลัวตายนะเพราะชีวิตนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะได้มีธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วเนะี่ยก็อะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เรื่องของมันก็ปล่อยมัน ยอมรับมันอันนี้คือแต่ของเราก็โอกาสดีที่มันยังไม่มีสงค่าไม่มีความยากลาบากขนาดนั้นในชีวิตนะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นนะเพื่อเตรียมพร้อมวันหนึ่งที่เราป่วยหนักนะวันหนึ่งที่เราใกล้จะตายนะใจมันจะดิ้นรนหรือเปล่านะอันนั้นเราก็ไม่ดูนะเอมันก็อยู่ที่สภาพการฝึกของใจั้งแต่ละท่านนะ นะหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะเอื้อให้เราน้อมไปด้านไหนมันก็มีส่วนเหมือนกันคนรอบข้างนะบรรยากาศนะที่เ อ, อื้อหรือเปล่ามันก็ช่วยเยอะแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจของเราเนี่ยก็จะไม่ต้องไปรอผลรอบข้างไปง้อบรรยากาศข้างนอก เ, เรามีเงื่อนไขภายในใจของเราเดีแล้วเนี่ยนิพพานก็อยูนะ่ในใจของเรานั่นแหละนะสวรรค์นในอกนระกในใจนะ นิพพานก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็อยู่ในใจของเราเนั่แหละนะเราก็สามารถทําไดนะ้ถ้าอยู่ที่ในไหนนะถ้าเรามีสตนะิเราก็จะพบกับความเป็นปกตินะในทุกที่นะลองสังเกตไหมเวลาเราช่วงที่เรามีสติรู้ตัวดีๆนะมันจะเห็นในบางทีเราเข้าไปในเมืองนะอาจจะมีสิ่งกระตุ้นเรา อยากซื้ออยากดูอยากกินอยากนั่นอยากนี่นะเสียงเสียงรถที่วุ่นวายคนที่เขาวุ่นวายกันแต่เราก็เห็นเออถ้าเราดูเฉยๆเนะี่ยมันจะรู้สึกอเออข้างนอกก็วุ่นวายไปนะแต่ตัวเราเองก็ยังสงบยังปกติอยู่เนะี่ยแม้เราจะอยู่ท่ามกลางโลกนะแต่โลกก็ครอบงำใจไม่ได้เนะี่ยถือว่ามีนิพพานอยู่ตรงนั้นแล้วนะ อยู่คนเดียวก็มีนิพพานอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมก็มีนิพพานอยู่ข้างในนงะคื อ, อยังรักษาวความเป็นปกติของจิตได้นะยังรู้สึกตัวอยู่ยังเห็นสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เท่าทันมันอยู่นะถือว่ามีนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นมันก็จะไม่เลือกและนะ้ไม่เลือกว่าจะต้องหนีไปอยู่ปานะ่าไม่ต้องแบบ ต้องอยู่แต่ในที่ที่มันไม่วุ่นวายนะที่ที่ทุกคนเข้าใจขึ้นกันแบ่งกันที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็อันนั้นเราก็เราอาจจะเพราะเราคิดที่จะหนีมันหรือเปล่าเราก็เลยคิดจะจะเลือกงานนะั้นแต่ก็ถ้าพอเลือกใต้ก็เลือกนะแต่เพียงว่ามันจะเลือกได้จริงหรือเปล่านะมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปหรือเปล่า ตอนแรกผมนะอาตมาตอนบวชใหม่ๆหม่ก็คิดว่าแบบภายในวัดเนี่ยมันเหมือนเป็นสังคมแบบยูโทเปียนะยูโทเปียคือสังคมอุดมคติคิดว่าโอ้อยู่ในวัดเนี่ยมีแต่พระมีแต่แม่ชีมีแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันต้องไม่เหมือนทางโลกไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะแว้งกันไม่อะไรแบบนี้นทุกคน น่าจะเป็นแบบคนที่มีธรรมะสูงๆกันทั้งนั้นนะพอมาบวชพอมาอยู่วัดคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแต่พอมาเจอนะโอ้ก็มีอะไรที่บางทีก็มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดนะนะเราก็ผิดหวังเราก็รู้สึกเสียวเหมือนล้มเหลวนิดหนึ่งที่แบบคิดว่ามันเป็นแบบทำามเป็นแบบนี้นะผิดหวังแต่จริงเราทุกข์เพราะเรา เพราเราคาดหวังมากกว่าที่จริงเขาก็เป็นของเ้าแบบนั้นนะหรือสังคมเขาก็เป็นของเ้าแบบนั้นนะพราเราคาดหวังนอสูงหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแบบนั้นแต่จริงถ้าเราเรียนรู้ว่าเออที่จริงอย่างครูบาอาจารย์หรือคําสอนถ้าเขาสอนดีๆทั้งนั้นเลยนะแม้สิ่งไปดล้บางอย่างมันอาจจะดูไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแต่ถ้าเราจับหลักได้อธรรมะ ที่หลวงพ่อที่ครูบาอาจารย์ทสอนเนี่ยมันเป็นหลักให้เราใช้ชีวิตคนอื่นเขาอาจจะบุ่นวายเขาอาจจะพูดพูดสอดเสียพูดเพิรเจอร์กันนะแต่ถ้าเราก็เลือกเลือกรับฟังนะหมายถึงว่าฟังก็ไม่ดูดูตัวเราไม่ไปต่อเสียตามเขาเนีไม่ไปเพิรเจอร์ตามเขาเนี่ยเราก็ทําได้นะปากเราไม่มีใครบังคับได้หรอกเนะ เขาพูดไปแล้วก็ดูใจของเราไปนะเราก็ระวังปากของเราเองอย่างเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปคบหาไปสนธานาเราก็ปีกมาอยู่กุติอยู่ที่พักของเราเองนะปฏิบัติธรรมของเราเองอ่านหนังสือของเราเองหรือเวลาทํางานนะบางทีทํางานด้วยกันบางทีคนหมู่มากหรือบางทีพระเองหรือนักปฏิบัติธรรมเองบางท่านนะก็เข้าใจว่าเออ บางทีทํางานไม่พูดกันไม่หยอกกันเนี่ยมันเครียดนะต้องหยอกกันสักหน่อยพูดแย่กันสักหน่อยอะไรเนี้ยสนุกกันสักหน่อยเหมือนโลกโลกนะบางทีทํางานต้องมีความเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันเออแต่เราเองเราก็รู้เออแบบนั้นมันหลงเราก็เออเราก็ดูใจของเราเออเราก็ไม่ไปหลงตามเขาเก็พูดกันได้นะแต่ก็ไม่ได้พูดแบบ เะใจมันอยากจะไปคึกขนองอะไรแบบนั้นเห็นเขาหลงเออเราก็ไม่หลงตามเขาอันเนี้ก็อยู่กันได้นะไม่ใช่แบบโอ้แย่แย่ไม่ดีไม่เอาอะไรนะออถ้าอยู่แบบนั้นมันจะอยู่ยากใจมันจะดิ้นมากไม่ชอบไม่เอานะอยากจะหนีไม่อยากทำเลยนะเนี่ยนิพพานก็อยู่ในใจของเรานะความรู้สึกตัวความปกติมันก็อยู่ในใจของเราก็ให้เรา กลับมากลับมาดูกลับมาหาหลักให้ได้นะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาให้เรารู้ทันกายรู้ทันใจนะถ้ารู้ทันใจได้นะรู้ทันใจนะมันจะเห็นกิเลสเห็นตัวตนเห็นความยึดมั่นถือมั่นในต่างๆในใจนะรู้ทันใจเลยเราจะเห็นนะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหรือบางทีมันเห็น เห็นใจแล้วมันจะจมลงไปกับอารมณ์ก็ลองตระหนักรู้ที่กายก็ได้เช่นเวลามันโกรธนะรู้รู้สึกที่กายมันเป็นแบบไหนมันอึดอัดมันหายใจไม่สะดวกมันแน่นอะไรก็ดูมันเวลามันกลัวมนะันนะอาจจะดูความกลัวไม่ค่อยชัดเท่ารดนะก็ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายก็ได้กลัวแล้วเป็นยังไงเกรง เพียแน่นอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยก็กลับมาดูกายก็ได้หรือก็กลับมาหาสติที่เราสร้างก็ได้นะมาพลิกมือมาหายใจอะไรแบนะี้ก็ถือว่ากลับมารู้สึกตัวได้เหมือนกันเนี่ยก็คือเราก็กลับมานถ้าดูใจได้ก็ดูดูดูใจไม่ได้ก็กลับมาดูกายเนอะ่ยดูเฉยเฉไม่ได้สกแกนไม่ได้ก็ มาพลิกมือมาสร้างนะมาสร้างสติให้มันเข้มแข็งขึ้นนะหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆเลยก็ปีกออกมานะไปทำสมาธิไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นกุศลแทนนะปีกจากอารมณ์นั้นไปนะให้เรากลับมาตั้งหลักใหม่ก่อนะนะนี่คือเราก็อยู่กันนะอยู่กับโลกไม่หนีโลกนะแต่ก็ไม่ให้โลกมันจมไม่จมกับโลกนะ อยู่กับไหนถึงจะเหนือโลกนะพ้นโลกนะอยู่กับโลกแต่เหนือโลกนะอันนี้คือคือธรรมะเนาะคือหลักในการปฏิบัตินะก็ฝากไว้ครับ